ครับพิสูจ์ทั้งหลายสนทนาการเป็นมิจฉาวาจาในสิบปสูต ร, ตรว่าด้วยเรื่องศิลปะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพิสูนมากด้วยการกลับจากบินทบาทในเวลาปัจฉาพัดแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมได้สนทนากันถึงเรื่องเป็นไปในระหว่างว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ใครหนอแลย่อมรู้ศิลปะใครศึกษาศิลปะอะไรศิลปะอย่างไหนเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายพูดง่ายๆว่าใครมีความรู้เรื่องอะไรแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตเลี้ยงชีวิตได้อย่างมั่งมีสีสุกเนี่ยน ะ, ะถือว่าความรู้ความสามารถเรื่องอะไรดีบางกลุ่มก็บอกว่าฝึกช้างสิบางคนก็บอกฝึกมา้าบางคนบอกขับรถบางคนบอกยิงธนูบางคนบอกว่าอาบุตรสิบางคนก็บอกว่าเรื่องนับนิ้วมือก็บางคนบอกคํานวณ บางคนบอกว่านับประมวลนับประมวลก็พวกคำนวณนับประมวลก็คือสายบัญชีอ่ะนะหรือว่าศิลปะการขีดเขียนหรือแต่งกราบแต่งกรอนคำพีโลกายตาศาสตร์หรือว่าสรวจจบภูมิศาสตร์ก็คือเขาคุยกันว่ามีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรจึงจะว่าสุดยอดของศิลปะนนะมีความรู้ความสามารถที่เป็นเหตุให้มั่งคั่งร่ารวยได้อ่ะนะ พิสูจทั้งหลายก็กําลังสนทนากันนี้ก็คือถามว่าวิชาทั้งโลกนะวิชาไหนมันดีที่สุดที่มันเส้นรู้แล้วประกอบอาชีพได้เร็วประกอบอาชีพได้ง่ายมั่งมีสีสุกนะพระพิสูจก็มาสนทนาการเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเลยในเวลาเย็นออกจากที่ลีกเรนเข้าไปในโรงกลมประทับนั่งณนะอาสนะที่ปูราดไว้แล้วครั้นแล้วถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูกวามพิสูจนทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนอ เธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรค้างไว้พิกษูเหล่านั้นกราบทูลว่าขอประทานพระวโรกาศข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทในเวลาปัจชฉาพัดนั่งประชุมกันสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายใครเนอแลรู้ย่อมรู้ศิลปะนั่นะนะวาดเป็นศิลปะที่เป็นยอดแห่งศิลปะเลยแหละหมายว่ารู้แล้วประกอบอาชีพทําให้เจริญมั่งคั่งร่ํารวยเป็นต้นได้เนี่ยนะไม่ว่าจะฝึกช้างฝึกมา้าขับรถยิงธนู อาวุธนับนิ้วมือคำนวณประมวลขีดเขียนกราบกรอนโลกายตะภูมิศาสตร์หรือวิชาไหนที่ว่าเรียนแล้วรวยเร็วที่สุดนะ น, นะพอดีพระผู้มีพระภาคจาเจ้าก็เสด็จมาถึงพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบรออกบวชเป็นบนรรปะชิต ด, ด้วยศรัทธากล่าวคถาเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรเลย นะสมัยนี้ก็มีไม่ใช่น้อยนะมาศึกษาวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าตำหนิเนี่ยนะพงค์บอกว่าไม่สมควรนะเธอทั้งหลายถ้าประชุมกันแล้วพึงกระทำอาการสองอย่างคือทำมีกระถาก็คือฟั ง, ฟ, ง, ฟ, ง, ฟ, งฟังอริยสัจสนทนาอริยสันน์เป็นต้นหรือดุษเียภาพแบบพระอริยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แลจึงแต่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพผู้เบาปรารถนาประโยชน์ปรารถนาประโยชน์คือนิพพานเนี่ยนะมีอินทรีย์สำรวมแล้วพ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังผู้นั้นกําจัดมานได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวชื่อว่าเป็นภิกษุ มาเห็นคําว่าไม่มีที่อยู่เที่ยวไปเนี่ยนะเขาชอบถามว่าอยู่วัดไหนใช่ไหมเป็นเจ้าว่าหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะคําสมัยใหม Led ่นี้เขาเอาตรงนั้นเป็นประมาณนะท่านทํางานอะไรประมาณนั้นอาศัยศิลปะทํางานอะไรสอรนหนังสือมหาลาัยไหนอย่างเงี้ยคำถามประเภทนี้มาเยอะนะแล้วก็อยู่วัดไหนเป็นเจ้า ว, ว่าหรือเปล่ามียศตําแหน่งอะไรจบอะไรเนี่ยนะนคือตรงกันข้ามหมดเลยสมัยนี้นะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สมัยพุทธกาลหมดเลยวพาันสิ่งที่ปุตุชนยุคนี้ชมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตําหนิสมัยก่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตําหนิสมัยก่อนคือสิ่งที่สมัยนี้ยกย่องสรรเสริญกันมากให้รู้ว่าทุกอย่างตรงข้ามเสม อ, อน น, นก็คิดดูนะว่าพระองค์ชมภิกษุเช่นใดภิกษุในหมายคาอว่าภิกษุในใจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นับถือนะคือผู้ไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีพผู้เบาปรารถนาประโยชน์สูงสุดนี่แหละ มีอินทรีย์สัมรวมแล้วผลวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปนะไม่ยึดถือไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังผู้นั้นกําจัดมานได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวอันนี้เป็นภิกษุซึ่งคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะไรทั้งหลายและเนี่ยนะไม่อ่านทั้งนั้นแหละมาดูในหน้าสามรอยห้าสิบเจ็ดย่อหน้าบอกว่าเอตมัตถังวิทิตวา คือพระองค์นี้ทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งความไม่สลัดออกจากวัตทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การเป็นอยู่แห่งศิลปะทั้งทั้งปวงนั้นนะ น, นะแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งทุกไม่ตัวนั้นเอาออกนะแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งทุกขอัยอออนะแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งความบริสุทธิ์มีศีลเป็นต้นและความเป็นพิสุผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลเป็นต้น หมายความว่าศิลปะที่พระพิสโสสนทนากันคือศิลปะการสึดช้างม้าขับรถขยิงธนูอาวุธนับนิ้วมือการคํานวณการนับประมวลการขีดเขียนการแต่งกาศกรอนโลกายะตะภูมิศาสตร์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้สลัดออกจากทุกข์อะไรแต่ความรู้ที่เป็นเหตุสลัดออกจากทุกก็คือวิสุทธิเจ็มีศีลวิสุทธิเป็นต้นนั่นเองพง์ก็เลยรู้เนื้อความว่าอะไรเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเป็นทางที่ ไม่ออกจากทุกข์องค์ก็เปล่งอุทานว่าผู้ไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีพเป็นต้นอธิบายว่าบทว่าอาศิ ป, ปะชีวีความว่าชื่อว่าอาศิ ป, ปะชีวีนี้เพราะอาถาว่าไม่อาศัยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงชีพเพราะความหวังในปัจจัยเหือดแห้งไปโดยคมตันหุปาทานสี่ให้อยู่ไกลแสนไกลเือวิชาศิละปะทั้งหลายแล่นี่นะวัตถุประสงค์ของ ของความรู้ความสามารถที่เรียกว่าศิละปะความรู้ความสามารถทั้งหลายเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตันหุปาทานสีมันเจริญตันหุปาทาน4ีคือจะได้ผ้าเยอะๆจะได้ผ้าดีๆจะได้ผ้าอย่างที่ตัวเองต้องการ 2. จะได้อาหารดีๆได้อาหารอร่อยอร่อยได้ตัวอาหารที่ตัวเองต้องการ3ก็จะได้ที่อยู่ดีๆจะได้ที่อยู่ที่ตัวเองต้องการเจ็บป่วยก็มียารักษาเนี่ยนะ ไอ้ตันหูปาทานก็คือตันหาถ้าจะอาศัยเกิดอาศัยเกิดอะไรก็อาศัยปัจใจสี่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศิละปะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรความรู้เหล่านี้เพื่อต้องการปัจจัย4ีย่นะคือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนะนะแต่ว่าโลกของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะมันเต็มเป็นโลกที่โอ้ยิ่งใหญ่อีกโลกหนึ่งเลยแหละเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากคืออาณาจักรของเครื่องนุ่งหม่มเขาเรียกอะไรแฟชั่นเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยจะชื่นชมเสื้อผ้าแบบไหนเป็นต้นนะก็เรื่องใหญ่เรื่องโตอีกเรื่องหนึ่งเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องโลกของเครื่องนุ่งห่มอย่างที่สองก็คือโลกของอาหารนะนะโลกของอาหารก็เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดกับเรื่องอาหารอย่างที่สก็คือโลกของที่อยู่อาศัยบ้านช่องเป็นต้นเนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วก็โลกของอยู่และยาทั้งหลายพันศิลปะความรู้ความสามารถโดยมากแล้วเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ แม้กระทั่งเอาเก็บเป็นเงินทองเงินทองก็เอาคืออะไรก็จะได้แปลสภาพไปเป็นปัจจัยสี่เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นศิลปะทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยสี่พระพิสูจนี้ถ้ามุ่งไปทําอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่สรรเสริญใช่ไหมพระองค์บอกว่าผู้ที่เป็นพระพิสูจน์เนี่ยไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพไม่ใช่หมายคำว่าตัวเองเป็นความมีความรู้ความสามารถที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ ปัจจสี่การที่ขม่มตัณหาที่เป็นเหตุปรารถนาะปัจใจสี่ให้ไกลแสนไกลนะด้วยการไม่อ า, อาศัยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบอาชีพนั่นแหละโครงแสดงถึงอาชีวปาริสุทธิ์ที่ศีลคือพระพิสูจน้นั้นปัจัจสี่ที่ได้มาโดยชอบทำคืออะไรก็คือถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะจะต้องเป็นผ้าที่ เช่นผ้าบังสกุลถ้าผ้าที่เขาถวายก็เขาถวายเพราะไม่ใช่เรียบเคียงมาอ่า น, นะไม่ใช่เรียบเคียงหรือไปหวานล้อมและเล็มเขาอ่ะ น, นะเป็นต้นไม่ใช่ขณะเดียวกันเว้นไว้แต่ขอก็ไม่ได้เว้นไว้แต่ขอกับญาติหรือคนที่เขาปรารณาเอาไว้ถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยนะแล้วก็อาหารแหละอาหารก็อาศัยเรื่องบิณฑบาดเป็นต้นไม่ใช่ไปเรียบเคียงเป็นต้นมาเนี่ยนะที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยก็ให้เป็นไปตามธรรมวินัยนั่นเองมันตัวอาชีวะปริสุทธิศินเนี่ยสมัยพุทธ ก, กาลนั้นพระองค์บัญญัติศึกษาบทหประการเนี่ยเพราะเหตุแห่งอาชีพเนี่ยนะเช่นบางคนเนี่ยอวดอุตตริมนุษธรรมก็เพราะเหตุแห่งอาชีพเป็นต้นก็เพราะเหตุแห่งปากท้องอ่ะนะมันผู้ที่ไม่อาศัยการอวดหรือศิลปะที่ผิดธรรมวินยัยเลี้ยงชีพเนี่ยหมายถึงผู้มี อาชีวปาริสุทิสิน์บทว่าละหุได้แก่ชื่อว่าเบาเพราะไม่มีสัมภาระมากเพราะมีกิจน้อยมีความประพฤติเบาพร้อมด้วยคำนี้ทรงแสดงถึงความเป็นผู้เลี้ยงง่ายอันสำเร็จด้วยความสันโดษในปัจจัย4ี่เนี่ยนะแต่สันโดษไม่มากมากในปัจจัย4บทว่าอัทธากามโมอัทธะแปลว่าประโยชน์นะกาโมเนี่ยกามกามแปลว่าใคร ชื่อว่าอัตฐกามะเพราะอัถฐว่าใครคือปรารถนาเฉพาะประโยชน์ของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเท่านั้น อ, อันนี้หมายถึงปาติโมขสังวรศีลถ้าเป็นที่อื่นนั้นประโยชน์หมายถึงนิพพานแต่ถ้าในคาถา น, นี้ประโยชน์เน้นที่ปาติโมขสังวรศีลต่อไปคําว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะ ส่วนยะตินริโยชื่อว่ามีอินทรีย์สำรวมแล้วเพราะสำรวมอินทรียหกมีจากขุนศีเป็นต้นโดยไม่ให้อากุโสธรรมมีวิชาเป็นต้นเกิดนี้เรียกว่าอินตรัตถึงอินทรีย์สังวรก็แสดงว่าเน้นไปที่จตุปาริสุทธิศีนใช่ไหมตอนแรกอาชีวะปาริสุททิศินสันโดษในปัจจัยศมีปฏิโมคสังวรมีอินทรีย์สังวรก็คือมีความบริสุทธิ์แห่งศีนสประการบทว่าสัพพทิวิปมุตโต ผู้มีศีลบริสุทธิ์ดีอย่างนี้ตั้งมั่นอยู่ในความสันโดษด้วยปัจจัยสกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยที่เรียกว่าสังขาร น, นั่นแหละด้วยลักษณะมีอนิจจาลักษณะเป็นต้นบําเพ็ญวิปัสสนาต่อจากนั้นชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงคือหลุดพ้นจากภูมิทั้งปวงหรือหลุดพ้นจากภพทั้งหมดอัน น, นมิการมาพบเป็นต้น เพราะอะไรเพราะละสังโยชน์ได้ด้วยอริยมรรคทั้งสี่เป็นไปโดยลำดับอันนี้ก็เป็นการแสดงวิสุทธิเจแบบย่อๆนะสีลวิสุทธิมาจนถึงเมื่อมีศีลดีแล้วตั้งอยู่ในความสําเดดก็กำหนดนามรูปก็เป็นทิฏฐิวิสุทธนนิกำหนดปัจจัยเป็นต้นก็เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นต้นก็ปฏิบัติจนถึงระารหัส น, นี่นะบทว่าอโนกสารีอะมะมะโม นิราโสความว่าเชื่อว่าอโนกสารีเพราะไม่มีความซ่านไปแห่งตันหาในอายตนะหกกล่าวคือโอกะเหตุหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงเช่นนั้นทีเดียวชื่อว่าอะมะมะเพราะไม่มีมามังการในอารมณ์ไหนๆมีรูปารมณ์เป็นต้นมะมะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าของเราใช่ไหมอะมะมะแปลว่าไม่มีเป็นของเรา ชื่อว่านิราสะเพราะไม่มีความหวังโดยประการทั้งปวงหิตตวามานังเอกจโรสะภิขูความว่าภิกษุนั้นผู้เป็นอย่างนั้นละมานะได้ไม่เหลือพร้อมกับเวลาที่บรรลุอรหัตตมรทีเดียวจึงไม่คลุกคลีด้วยหมู่เหมือนภิกษุเหล่านี้เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงเพราะประสงค์ความสงัดและเว้นจากเพื่อนคือตัณหาผู้นั้น ทางโดยทางประมัติชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายกิเลสโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระภิกษุใช่ไหมที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบดีชอบนั้นเอาว่าปฏิบัติเพื่อขจัดขัดเกลาเพื่อบรรลุมรรผลเป็นหลักเนี่ยนะในที่นี้ตรัสถึงคุณฝ่ายโลกิยะด้วยคำว่าไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีวิตเป็นต้นก็คือมีศีลนะมีความบริสุทธิ์แห่งศีลส่วนหลุดพ้นจากธรรมทั้งปวงก็คือ คุณธรรมที่เป็นโลกุตระในคานั้นทรงแสดงว่าธรรมะนี้สาหรับผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นต้นเท่านั้นไม่ใช่ของผู้อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเธอพวกเธอจงเว้นการถือในศิลปะว่าเป็นสาระถ้าจะศึกษาให้ศึกษาในอธิศีนเป็นต้นเท่านั้นเนี่ยนะคือไม่ให้ไปขวนขวายเน้นศึกษาใน ในศิละปะศาสตร์ทั่วไปถ้าจะศึกษาก็เอาอาธิศิลและศิขาเป็นต้นเป็นหลักนะเพราะว่าแยกแตกต่างกันนะระหว่างศิละปะทั้งหลายศิละปะทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าศิละปะหมายถึงการประกอบอาชีพทุกชนิดในโลกนี้เขาเรียกวศิละปะศิละปะเหล่านั้นก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อปัจจัยสี่แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วนี่เพื่อประสงค์อะไรก็ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ลำบากด้วยปัจจัยสอยู่แล้วนะเพราะอาศัยปัจจัยสี่ของพระผู้มีพระภาค กิจที่เหลือพึงบำเพ็ญในอธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานั่นเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ก็สองสูตรนี้นะสองสูตรนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องศีลเป็นหลักเน้นศีลสิกขาเป็นหลักเพราะว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติในอธิศีลเป็นต้นนั่นเอง